เทศนาแผนที่76ลำดับที่10โดยหลวงพอ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงทําในวันที่20มีนาคม2558มีชื่อเรื่องว่าแบ่งกันอยู่แบ่งกันฉัน วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดพวกเราออกมาฉันที่สารานอกนะ่ถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดนะตั้งแต่วันที่เก้าธันวาห้าเจ็ดปีกว่าแลวยังไม่เสร็จนะหลายเดือนสามเดือน ก, อกว่า แต่ถามคณะในช่างที่แล้ว่าจะใช้เวลาเท่าไรในช่างส่มสาราประมาณสามอาทิตย์กว่าๆครับหนะลวงพ่อโอเอาถ้าสามอาทิตย์กว่าๆนี่คงงานก็คงจะไม่ยืดเยื้อเท่าไหร่นะพอทา ม, มาแล้วตั้งแต่วันที่เก้าธันวาวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบมีนานับข้อมือยสิคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานเนี่ยะ การงานนะมันบานปลายอย่างนั้นนะแต่คิดว่าหลวงพ่อก็บอกทางพระทั้งบอกทั้งในครัวด้วยว่าอันไหนควรจะเก็บก็เก็บซะเก็บเข้าอะไรให้เรียบร้อยอย่าให้ทิ้งเกลื่อนกลาดเพราะว่าเรื่องเสนาชนะเสนาชนะของที่เขาถ ว, ถวายมาเนี่ยอันนี้เรื่าเสนาชนะสง เป็นพวกโตเก้าอีเอา้เตียงต่างเก้าอี้แล้ ว, ว่าของใช้แล้ ว, ว่าเป็นครุพันในค้ังพระพุทธเจา้ามีพระพวกสัพพวคีสัพวสพวคีไม่ใช่ปัญจวคีนะสัพพะแปลว่าพวกคกพระพวโคก เ, เป็นพระหนุม่มไปที่ไหนไปนว่า เอาของออกมาใช้แนละ้วทิ้งเกลื่อนกลาดแล้วไม่เก็บพระสงฆ์ทางหลายเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงพระพุทธเจ้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า อ, อภิกษุเอาของออกมาใช้แล้วไม่เก็บเข้าที่เดิมพระพุทธเจ้าเรียกประชุมสงฆ์เพียงแค่นั้นนะนะ เรียกประชุมสงฆ์พอประชุมสงฆ์เสดถามแล้วว่าใช่ไหมท่านเอาของอ อ, ออกมาใช้ไม่ได้เก็บเข้าที่เดิมใช่พระเจ้าค่ะทําทไมเพราะเป็นของเล็กน้อยของไม่มีวิญญาณแล้วก็คิดว่าทิ้งไว้ก็ไม่มีไม่มีอะไรเธออย่าไปของว่าเป็นของเล็กน้อย เ, ออเพราะว่าของที่เขาให้มาเนี่ยเป็น เป็นน้าใจเป็นของใหญ่ท่านจะไปคิดว่าเป็นของเล็กน้อยถึงจะเป็นของเล็กน้อยก็เถอะความชั่วเก็บเล็กผสมน้อยเหมือนกับน้ําฝนหยดลงมาทีละหยดเท่านั้นแหละลงมาตกใส่ตุ่มใส่โอง่งตกมาไม่หยุดไม่ถอยก็เต็มตุ่มเต็มโอ่งได้เหมือนกันนี่เหมือนกันนะความชั่วถึงจะ ไม่มากทีละน้อยแต่ว่าเก็บไม่หยุดทำอยู่เรื่อยๆก็ให้เป็นความชั่วที่พอกพูนได้เพราะนั้นอย่าท่านอย่ายินดีนึการกระทำที่มันไม่ดีความชั่วนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพิกสุใดก็ตามเอาเตียงต่างเก้าอี้ออกมาในที่แจ้งแล้วไม่เก็บเข้าไว้ในที่เดิมต้องปาจิตตินะ ผิดสินไปข้อหนึ่งแล้วด้ต่เนี่ยตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านละเอียดถี่ถ้วนขนาดนั้นคือท่านให้เคารพศิธิ์ศรัทธาญาติโยมเขาถวายมาพระสงฆ์ถ้าเอาออกมาใช้แล้วรู้จักเก็บอย่างพวกเราไปก็เหมือนกันถ้าหอพระของเราไปพักกุฏิหลังไหนพระท่านก็จัดเสนาชนะเสื่อศาสตรหมอน กาน a m กระโถนอะไรให้เราได้ใช้เมื่อเราใช้เสร็จแล้วเราจะหนีออกไปจากกุฏิหลังนั้นว่าเรามานอนคืนนี่แหละพระท่านจัดเรียบร้อยแล้วก็นอนเสร็จแล้วก่อนที่จะออกไปต้องเ ร, เราต้องมอบเสนาสนะออผมขอคืนเสนาสนะนะมอบเสนาสนะอันไหนไม่เรียบร้อยก็ให้ดูนะมอบเสนาสนะส่ง อันนี้คงเหมือนกันสมัยก่อนพระสงฆ์เข้าไปพักที่กุฏิแล้วเวลาไปไปเลยเลราก็ไม่มีใครดูแลไม่มีใครเก็บเพราะไม่มีใครไม่ได้มอบหมายพระสงฆ์ก็กราบทูลพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าตั้งเรียกประชุมสงฆ์อีกพิกสุใดก็ตามเข้าไปพักกุฏิของสงฆ์แล้วเมื่อเลิกไปไม่มอบหมาย ไม่จัดไม่จัดการทำเองและไม่มอบหมายให้องค์อื่นดูแลต้องปาจิตตีเนี่ยนี่แหละคณะสัทยาญาณโยมลูกหลานพระพุทธเจ้าท่านละเอียดทีท่วนขนาดนั้นลหละขนาดหลวงตามหาบัวน่หลวงพ่อยังจำไม่ลืมโอ้โหโหลวงตาเนี่อายุถึง8ดจะ90สอยู่แล้วนะท่านไปทอดออผ้าป่าที่วัดสาลาน้อย ท่านไปพักที่นั่นหลวงพ่อก็ไปพักอยู่ข้างล่างเอ่ยพอเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปรับท่านที่กุฏิตอนท่านที่จะลาตอนที่จะเลิกลาตอนที่จะท่านจะกลับออกจากที่พักของท่านตอนใช้สายพอฉันจะหันแล้วนะท่านก็ขึ้นไปกุฏิของท่านเพื่อใช้ห้องน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็เดินออกมาออกมาท่านก็บอกกับพระเออ เราพักเสนาชนะแล้วดูนะให้ดูเรียบร้อยนะเรามอบคืนเสนาชนะอ่าถ้าอันไหนไม่ดีก็เก็บให้เรียบร้อย เ, อเก็บให้เข้าที่เข้าทางซะอ่าเรามอบคืนเนอเสนาชนะหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อยังประทับใจกระทั่งเดี๋ยวนี้นะเออหลวงตาอายุถึงขนาดนี้แล้วท่านไปพักท่านยังคืนเสนาสนะ ทุกต้องตามวินัยเนี่ยหลวงตาหลวงตาเนี่ย ด, ด, ดูท่านแข่งหรือว่าท่านรอบพระในวินัยจริงๆแต่ดูไปดูซิพระลูกพระหลานดูซิมอบเนสนาชนะคืนหลวงตาท่านได้มอบอย่างนั้นหลวงพ่ อ, อยังฟังด้วยนะโอ้หลวงตาอของเราเนี่ยท่านแข่งในวินัยท่านเคารพในวินัยจริงๆ เ, เมื่อท่านออกมาแล้วท่านยจงมอบ คืนเสนาสนะแก่เจ้าของวัดแต่ตามไม่จริงเจ้าของวัดก็ดูดอยู่แล้วนะกุฏิของครูบาอาจารย์แต่ว่าเป็นสามีจิกรรมสามีจิกรรมคือคือคําพูดที่มอบหมายให้เป็นกิจจลักษณะคือเป็นพระวินยัยหรือเป็นกฎหมายกฎหมายของพระ น, ะนี่แหละเพราะฉะนั้นพวกเราไปนสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใด อย่าไปทิ้งของเกลื่อนกลาดอของที่ได้มาทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะไม่ใช่ของเรา เ, เป็นของศรัทธายาตโยมเขาถวายมาก่อนที่เขาจะถวายมาแลวเขาจบแล้วจบอีกอถึงจะเป็นจตุปัจจัยก็เถอะพอได้จัุปัจจัยมาแล้วก็ไปสั่งเอาของที่ต้องการพวกถ้วยโถโอชามของใช้ต่าง ศรัทธาญาติโยมคดถวายเป็นปัจจัยมาเราก็ให้ศรัทธาญาติโยมไปเอามาไปเปลี่ยนมาแล้วก็มันเป็นของสงเป็นของสงจะแจกกันไม่ได้ของอันนี้เป็นของส่วนกลางแต่หลวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงตาหรือหลวงปู่ล่าท่านบอกว่าหลวงปู่มั่นท่านให้เคารพของกลางของสงมากกว่าของส่วนตัว สมมติว่าของตัวตัวเนี่ยจะเป็นมีดเป็นอะไรของใช้ส่วนตัวเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ตัวอันหนึ่งเป็นของกลางท่านบอกว่าให้เคารพของกลางมากกว่าของตัวเองให้พิธีพิถันดูแลของส่วนกลางมากกว่าของตนเองของตนเองเนี่ยมันเป็นของส่วนรุส่วนตัวต่ออันนั้นเป็นของสงมันเป็นของกลางต้องใช้ร่วมกัน ถ้าตนไหนไม่ดีก็ต้องมาจัดการให้มันดีขึ้นมีแต่คนทุกวันนี้หลวงพ่อเห็นหลวงพ่อกออ่อนอกอ่อนใจอพอไปเห็นมีดแล้วกอนไป่ว่าญาติว่ายมไม่ว่ า, า, า, ยยว า, าพระหว่านเนรท่าฟันแล้วก็มีดหลุดลุยลงไปถูกหินถูกอของแข็งถูกเหล็ก เสร็จแล้วก็ไม่มีใครฝนให้มันคมขึ้นมาอีกผลในสูตรก็ประนามเลยมีดวัดมันเป็นอย่างงี้ล่ะหัวเดเองมีดวัดมันเป็นอย่างงี้แหละมันไม่คมหรอกเพราะต่างคนต่างใช้ใช่มันก็ใช่แต่ทีเพราะเหตุยร่าต่างคนต่างใช้ต่างคนต่างไม่ฝนต่างคนต่างไม่รับผิดชอบมันก็ต้องเสียหายถ้าหากว่าพวกเราต่างคนต่างใช้ต่างคนต่างรับผิดชอบมันก็สะอาดนะ อ, อมันก็ดีมันก็คมโอ้ค่าเนี่ยไปเอามีดไปถูกหินแล้ววะ เ, เดี๋ยวเดี๋ยวไปฝนไปฝนคืนหินอยู่ที่ไหนไปฝนคืนให้มันคมคมอย่างเก่าให้มันอยู่ในสภาพเก่าและดีกว่าเก่าถ้าคนคิดได่อย่างนั้นไปว่านั่นแหละถูกต้องมีน้ําใจมีความรับผิดชอบแต่มันหาได้ยากพูดแล้วมันหาได้ยากมากเหมือนกับ เขาวัวกับขนวัวเยอะลักษณะอย่างงั้นแหละคนที่รับผิดชอบในเรื่องต่างๆเนี่ยเหมือนกับเขาวัวเน่ยไอ้คนที่ไม่รับผิดชอบเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็เหมือนกับขนวัว เ, เราคิดดูซิว่าขนวัวกับเขาวัวอันไหนมากกว่ากันเขาวัวมีสองเขาใช่ั้มล่ะวัวตัวหนึ่งมีสองเขาแต่ขนวันน ว, น, น, ว น, นี่สิีจนนับไม่ท้วนมันลักษณะอย่างงั้นแหละเพราะนั้นให้พวกเรา ดูตัวเองนะที่พูดทางนี้ท้งนั้นให้รับผิดชอบ อ, อย่างพวกเราดูง่ายๆเหมือนกัน เ, เวลาเข้าห้องน้ำ เ, เวลาเข้าห้องน้ำใส่รองเท้าเข้ า, ขาไปด <c oughs> ูดูดดแลเปื่อนเปิดแล้วเธอเวลาออกมากไม่ล้างทั้งที่รองเท้าของตัวเองเข้าไปมันเปื้อนเปิดแล้วเธ อ, เอคนอื่นเข้าไปอีกไม่ล้างอีกผลีนสุดมีแต่ความ เลอะเทอะไปหมดเลยนี้เหตุไรเพราะต่างคนก็ต่างเอาความส ก, กปรกไม่ล้างเข้าไปในห้องน้ําแต่ถ้าว่าผู้ใดเข้าไปโอ้ข้าเนี่ย เ, เข้ามาในห้องน้ําความส ก, กปรกของเรามีก่อนที่จะออกเราก็ล้างซ ะ, ะล้างให้สะอาดอพอสมควรหรือว่าน้ำอาจให้ดีแล้วค่อยออกมาคนที่สองเข้าไปอีกอทําความสะอาดอีก ห้องน้นําแล้วก็ต้องสะอาดเพราะเหตุไรเพราะต่างคนต่างรับผิดชอบในห้องน้ําจะเป็นห้องน้ําสาธารณะก็เถอะนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะไปห้องน้ําปั๊มน้ํามันในห้องน้ําที่ไหนถ้าหลวงพ่อเข้าไปแนตะ่ถ้ามันมันเปื่อนเปืเ่อยเลอะเทอะหลวงพ่อจะฉีดน้ําล้างนะถ้ามันล้างมีมันมีน้ํานะเป็นเสียแต่มันไม่มีน้ําถ้ามันมีน้ำหลวงพ่อจะฉีดทําความสะอาดหลวงพ่อเข้าไปนะ อย่างน้อยกับคนเข้าไปที่หลังก็ได้สะดวกสบายมีน้ำใจนี่แหละอันนี้แหละคือคนอคนที่มีถ้าว่าเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันโดยมากมันไม่ค่อยมีนะอย่างที่หลว ง, งพ่อว่าอย่างที่หลวงพ่อไปที่จังหวัดสกลเมื่อกี้เนี่ยมีท่านอาจารย์องค์หนึ่งพระองค์หนึ่งท่านเล่าให้ฟังเอเอมีอป่าผักหวาน อยู่ในภูเขาพอใ ค, ใครก็ไปเก็บใครก็ไปเก็บแย่งกันใครไปก่อนก็ได้ก่อนเอามันก็ออกผลที่สุดคนหนึ่งโมโหไปที่ไหนไปที่ไรก็ไม่ทันเขาสักทีไปก็เลยเอามีดยำเลยต้นปักหวานอยู่ที่ไหนตัดหมดเลย เ, เขาเขาว่านี่แหละตะแก่นี่แหละเป็นคนตัดต้นปักหวานผมก็เลยเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าว่ามันทําไม ใจทำด้วยอะไรทำไมําทำอย่างนั้นเลยถามดูใจใช่หรือเปล่า เ, เจ้าเป็นผู้ตัดต้นผักหวานทิ้งใช่ผมเลยตัดอ้าวทำไมไปตัดทำไมไปที่ไรก็ไม่ทันเขาสักทีถ้าเราไม่ได้กินก็จะให้คนอื่นได้กินตัดมันทิ้งทั้งหมดโอ้โหท่านองค์นี้เป็นคนมีจิตใจกว้างขวางโอ้โหทไาไรยังไงมันคิดได้ยังไง เออบ้านเมืองเป็นอย่างนี้เองคนมีประเภทอย่างนี้เองมันทำให้บ้านเมืองจิบหายี่ยถ้าคนอื่นกินเราก็น่าจะกินดีคนอื่นได้กินแหะก็แล้ ว, แ ล, วแล้วไปตัวเองทันบ้างไม่ทันบ้างมัน ก, ก็น่าจะช่วยช่วยกันมันต่าง ก, กันกับญี่ปุ่นตะแก่ว่านะท่านว่านะประเทศญี่ปุ่นของเขาเนี่เขามีข้าวอยู่จานเดียวยมีคนอยู่สิบค น, เ, น เ, ออเขาจะต้องมองดูกันเ อ, อ๊ะ จะทำยังไงพวกเราจึงจะได้จึงจะได้ทานอาหารครบด้วยการทุกคนเนี่ยในข้าวจานนี้เนี่ยเขาจะแบ่งแบ่งแงให้ครบกันแล้วก็ให้ให้กินคนละคําเรื่องคนละเท่าไหร่อันนี้คือญี่ปุ่นเพราะนั้นเวลาเขามีปัญหาเข้าคิวเนี่ยเขาจึงอดทนยืนเรียงคิวกันถ้าเป็นประเทศไทยของเราน่โอ้โห ม, มันลมมันตุ้ม ม, มันตุ่มมันลม นี่แหละอันนี้หลวงพ่อออันนี้ก็เป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราเหมือนกันนะอันนี้คือมารยาทธุบจิจจริยธรรมใ น, นหลักธรรมคำสอนอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็เหมือนกันอย่างหลวงปูเงป่เสาหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านออกธุดงรุ่นแรกท่านพานลูกศิษย์ลูกหาไปออกธุดงรุ่นแรก มีพระทั้งสิบกว่าองค์พอไปบินทบาทชาวบ้านเขาก็ใส่ไข่ใส่ไข่ข้าไปคงจะเป็นไข่ไก่มั้งไข่ต้มนะได้ประมาณสักสามสีลูกพระเเป็นสิบองค์อันนี้หลวงปู่กงแก้วที่เป็นอุปชาเนรหลวงพ่อนะพูดให้ฟังหลวงปู่เสาท่านก็บเออเอาไปเ น, นตปรตะปะขาวไปเอาใบมะม่วงมา อาจากนั้นก็ท่านก็เอาเอาไข่มาพอไข่มาท่านก็ขยำขยำใส่ฝาฝาบาทขยำเสร็ฝาบาทเสร็ฝาบาท ส, สมัยตอนนั้นท่านก็าสารเนี่ขยำขยำขยำพอขยำเสร็จเรียบร้อยเอาเกลือใส่เกลือกเกลือตาผักขาว ที่เอาไปฉันกคาป้อมสมอนน่ะพอใจจเอาพระนั่งประจําที่เพอนั่งประจำที่ภูเขาประจําที่เสร็จเรียบร้อยแล้วกันะอท่านก็เอาจับใบมะม่วงทําเป็นกลวยฮทําเป็นกลวยแล้วก็เรียงเรียงแถวกันก็ตักตักตักตักไข่ที่ขยําขยำใส่น้ําอ่ำ ขยำใส่น้ำกับใส่เกลือนะถ้าก็ตักใส่กล้วยมะม่วงแยกให้คกใครครอบทุกองให้ครอบทุกอ ง, อกองตั้งแต่พระตาพระขาวจนถึงพระที่เป็นหัวหนาหลวงพ่อเอาเข้าวเหนียวมุดลงไปคงจะจิ้มคำเดียวกคงจะหมดเลยแต่ถึงยังไงก็ตามถึงจะฉันอาหารวันนั้นผ่านไปแล้วนะแต่มันประทับในใจผู้ที่ ได้ร่วมได้ร่วมการเดินทางาได้ร่วมการเป็นอยู่นี่แหละอันนี้แหละคื อ, อาการเป็นอยู่ของพระกรรมฐานยุคสมัยนั้นท่านจึงท่านคิดถึงการท่านเอื้อเฟื้อเอือ้ออารีต่อการเมตตาต่อกันท่านรักกันเมตตากันเพราะท่านโดยเคยทุกข์ยากลําบากมาด้วยกันนี่แหละอันนี้แหละคือการเฉลื่อเผื่อแผอ่ในหมู่คณะในคณะสงฆ์ ในการออกทุ่งในครั้งนั้นในคราวนั้นเนีอุปชาหลวงพ่อพูดเห้ฟังหลวงพ่อก็จําอีกโอ้กูบายจาย์สมัยก่อนเออบางทีท่านก็บินถบาทบางทีก็ไม่ได้ฉันจริงๆแต่ขนาดหลวงพ่อนี่ยก็เถอะนะหลงขนาดหลวงพอ่อรุ่นหลวงพ่อออกมาทุง่งหลวงพ่อไปบินธบาทบางทีได้แต่ข้าวนะกนัตถาญาดโยมลูกลานได้แต่ข้าวเพลียวๆข้าวเหนียวนะอพอทานวันแรกสองวันนะี่ยเออพอกลืน พอกือนเข้าไหวพอวันที่สามเนี่กืนจักไม่ลงเลยท่านี่เพราะมันเหนียวนะไอต้องได้ต้มน้ําพอมาแล้วก็ต้มน้ํากินเข้าไปแล้วก็ดื่มน้ําไปด้วยดื่มน้ําอุ่นๆนะแต่าตามไม่จริงถ้ามีเกลือสักหน่อยก็คงจะดีมันกันนะแต่มันไม่มีจะทํำยังไงเธอไปบินทาบาทแล้วจะไปขอเขาก็ไม่ได้อัตอมาได้แต่ข้าว <c oughs> ขอพริกก็ขอเกลือด้วยเธินโยมอมก็จะว่าอย่างนั้นอีกมันก็ไม่ใช่เรื่องอีกท่านี่เพราะไปบินทาบาดใช่ไหม เพราะใสตัวคนเนี่ยเขาให้อะไรเราก็ฉันฉันอันนั้นแหละฉันตามที่มันมีมันมีมันเกิดนี่แหละอันนี้ก็คือชีวิตของพระกรรมฐานเพราะนั้นท่านอยู่ด้วยกันท่านจึงรักเมตตากันรุ่นเก่าๆเนี่ยท่านเคยผ่านทุกลงค่าทุะผ่านทุกผ่านยากมาด้วยกันพอมาเจอกันเมื่ออายุแก่มากขึ้นมาท่านก็ยังเมตตาต่อกันแต่ส่วนหนึ่ง ที่หลวงตามหาบัวพูดหลวงพ่อก็จําไม่ลืมอีกเหมือนกันหลวงหลวงตามหาบัวพูดหลวงตาท่านก็พูดท่านก็จําไม่ลืมอีกเหมือนกันท่านอายุทั้งเก้าสบกว่าปีเนี่ยท่านก็มาพูดให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อนั่งสองต่อสองนะวันนั้นนะท่านแบบพูดแบบขึงขังอีกต่างหากนะท่านบอกว่าท่านไปเที่ยววิเวกไปที่เวกเนี่ยแถบนครพนมนะ่ะ พอไปแล้วก็วันหนึ่งไปบินเทบาทได้มาเขาก็เลยเอาเอากะปิเท่านั้นนะทานมาในกะปีใส่ถ้วยมาถวายมาถ้วยหนึ่งพอถวายมาถ้วยหนึ่งแล้วก็ไปไปเท่ากันสามองค์ไปเท่ากันสมองค์นีท่านแล้วก็ท่านองค์ที่สองแล้วก็พระน้อยอ ง, องค์ที่สแต่ในหลวงตามหาบัวท่านเคยอยู่กรุงเทพนะ ท่าไปเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพอยู่วัดพระศรีวัดบรมที่ไหนไหนท่านเห็นกะปิมาโอ้กะปิมันมาอย่างไงเนาะว่ามาถึงนครพ hon ได้แตะกอนเห็นแต่ปลาร้าเนี่ยไปเห็นกะปิโอ้อของสมนะัยนั้นมาทางรถก็ยังมาไม่ถึงใช่ไหมล่ะเอีมันมาได้อย่างไงเนี่ยกะปิมันมาทางมาม า, มาได้อย่างไงเขาจึงมาทํามาถวายพระนะ อท่านเขาโอ้เนี่ยกับปีถวานนะเอ่อแต่นะั่นเทองค์ที่สองก็เลยบอกว่าที่ไหนเอใครเขาบอกเป็นเพื่อนกันองค์ที่สองพรรษาคู่ขี้กันกับท่านเอพอตรงตากันเลยนีแด่ก็ยกไปให้องค์ที่สองได้มาแล้วเทพวดลงใส่บาทตัวเอง <laughs> แบบแบบแบแบคล้ายๆกันว่านั่นแหละอแบบแบบเล่นๆแบบกินน่นะ เออแต่ถึงจะตาตาไม่จริง <c oughs> แต่หลวงตามหาบววเป็นคนเฉลือเผื่อแผ่ใช่ไหมละ่ะพอเทใส่บาตรพวดลงไป อ, องค์นั้นก็กินหน้าฉันหน้าตาเฉยเลยสามองเออหลวงตามหาบวัวมันกินลงได้อย่างไงวะกินกับปิทั้งถ้วยมันจะไม่กัดลำไส้อีกเหรอ ทำไมกินได้ยังไงทั้งที่อยู่รายการสามองค์น่าจะเฉลืยวเผือแพ่กันมันก็น่าจะได้ฉันพอได้ทั่วถึงกันอยู่ทําไมมันไม่มีน้ําใจถึงขนาดนี้เอหัวใจมันทำด้วยอะไรวะเนี่ยเรายังจําไม่ลืมตั้งแต่บัดนั้นมาเนี่ยหลวงตามหาบัวท่านพูดเออขนาดอายุเก้าสิบแล้วก็ยังจําไม่ลืม <c oughs> เพราะนั้นพาน้อยพหนุ่มพารุ่งพ่าห ล, ลานนะ ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อนะลูกน้องของหลวงพ่อนะจะทําอะไรนะต้องคิดดูให้ดีในเมื่อทําสิ่งที่มันไม่ดีไปแล้วนะมันจะเทือนใจมันจําไม่ลืมนะสิ่งที่มันไม่ดีอสิ่งที่มันดีก็เหมือนกันนะประทับใจไปนานเท่านานเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ประกอบให้ทําแต่สิ่งที่มันดีสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทําถ้าทําไปแล้วนะั่นนะอย่างองค์หลวงตาท่านพูดนะันนะ เราก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยก็ลงตาอยู่ด้วยกันสามองค์ทําไมไม่แบ่งกันให้ทั่วถึงมันน่าจะทั่วถึงกันได้อยู่ไปฉันคนเดียวได้ยังไง เ, เพราะว่าในหลักธรรมก็ว่ากสัพเพสัตตาอาหารฤทธิกาสพรพพสัตทางหลายเป็นอยู่ด้วยอาหารเพราะฉะนั้นต้องเฉลือเผื่อแพร่กัน น, ะนั่นคือความเป็นธรรมคือความถูกต้องนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสําหรับ พระลูกพระหลานสัา ย, ยาญาติโยมแนวหนึ่งนะอาตอนนี้ไปรับผ่อนอนุโมทนาให้ผ่อน